นัตพิกำมังสมะพลังแรงใดในลกูกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานชาดกให้ฟังท่านผู้ฟังมีหลายเรื่องเลยกันเริ่มด้วยเรื่องของกาเจ้าเล่ยครับคือกาเนี่ยไม่มีศีลแต่ว่าแสดงท่าทีเหมือนว่ามีศีล ทำให้นกทั้งหลายหลงเชื่อจนต้องเสียทั้งไข่ทั้งลูกทีเดียวเรื่องมีว่ามีนกปูงใหญ่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าบนเกาะกลางทะเลนกปูงนั้นอยู่กันด้วยความสงบสุขเนื่องจากมีหัวหน้าที่ดีคอยดูแลการอยู่ร่วมกันชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญานกอยู่มาครามหนึ่งพวกพ่อค้าชาวแคว้นกาสีซึ่งเดินทางค้าขายทางทะเลอยู่เป็นประจำ เห็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องหลงทิศเพราะว่าเมื่ออยู่กลางทะเลแล้วไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนจึงแก้ปัญหาด้วยการจับกาตัวหนึ่งมาฝึกหัดให้รู้จักทิศ ต, ต่างๆจนเห็นว่ากาชำนานแล้วจึงวางแผนเดินทางไปค้าขายทางทะเลต่อไปพวกพ่อค้าแล่นเรือไปถึงกลางทะเลยังไม่ทันที่กาจะได้แสดงความสามารถก็เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่าทะเลปั่นป่วน เรือถูกคลื่นกระแทกอับปางในที่สุดขณะที่พวกพ่อค้ากำลังตะเกีกตะกายช่วยตัวเองอยู่นั้นกาก็บินไปทางเกาะกลางทะเลที่มีพวกนกอาศัยอยู่กาเห็นมีหมู่นกเป็นจำนวนมากก็เลยคิดเห็นจะหาทางเอาชีวิตรอดได้ เ, ออเราควรจะหลอกกินไข่และลูกนกของนกเหล่านี้จะดีกว่า <laughs> จากนั้นกาก็คิดถึงวิธี ที่จะทำให้นกพวกนั้นเลื่อมใสศรัทธาและไว้ใจตัวดังนั้นมันก็แทรกตัวไปอยู่ในท่ามกลางฝูงนกแล้วยืนขาเดียวพร้อมทั้งอ้าปากนกทั้งหลายเห็นแล้วสงสัยก็พากันเข้ามารุมถามว่าท่านเป็นใครอ่ะเราชื่อธรรมมิกะแปลว่าผู้ทรงธรรมนะล้วทาไมท่านถึงมายืนขาเดียวอยู่อย่างนี้ล่ะเราเป็นคนมีตะบะแรงกล้า หากว่าขาของเราเนี่ยนะเหยียบลงไปทั้งสองข้างแล้วเราเกรงว่าแผ่น ด, ดินจะรับน้ำหนักของเราไว้ไม่ได้อ้าวแล้วทำไมท่านต้องยืนอ้าปาก้วยละ่ะเราไม่กินอาหารอย่างอื่นเลยนอกจากลมเท่านั้นนกทั้งหลายได้ฟังกากล่าวเช่นนั้นก็ต่างเลื่อมใสก็เรียกพวกตนให้เข้ามาใกล้ๆกากาเห็นเป็นโอกาสก็แสดงท่าทีหน้าเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้น โดยกล่าวสอนนกทั้งหลายว่าพี่น้องทั้งหลายขอพี่น้องจงประพฤติธรรมเถิดจงประพฤติธรรมให้สม่ำเสมอแล้วท่านทั้งหลายจะเจริญคนที่ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านกทั้งหลายต่างฟังกาพูดด้วยความศรัทธาโดยหารู้ไม่ว่านี่เป็นแผน ล, ลวงตต่างพากันสรรเสริญกาโอ้โหพ่อกาเนี่ดีจริงๆนะ ประพฤติทำอย่างยิ่งยวดทีเดียวนอกจากยืนขาเดียวแล้วยังสอนธรรมะให้เราซะอีกดังนั้นจากลีลาท่าทางและการสอนธรรมะที่น่าเลื่อมใสนกทั้งหลายก็ยิ่งไว้ใจกามากขึ้นถึงขั้นปรึกษาหารือกันแล้วก็ไปขอให้กาช่วยดูไข่แล้วก็ลูกเล็กๆของตนด้วยเวลาที่พวกตนออกไปหากินโอ้ได้สิท่านทั้งหลายได้ไ ด, ได้เรายินดีดูแลให้ นกทั้งหลายต่างก็ดีใจโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าภัยกําลังจะมาถึงตัวแล้วกายังคงยืนขาเดียวอ้าปากกินลมอยู่ครั้นนกเหล่านั้นไปแล้วก็ไปเที่ยวกินไข่แล้วก็ลูกนกของกาเหล่านั้นจนอิ่มแล้วก็กลับมายืนขาเดียวอ้าปากกินลมด้วยท่าทีสงบสงเมเหมือนอย่างเก่าวฝ่ายนกทั้งหลายกลับมารังเห็นไข่และลูกตัวเองหายไปก็โวยวายกันลั่นเกาะแต่ไม่มีใครสงสัยเลยว่ากาเป็นผู้กิน เพราะเชื่อวากามีธรรมะส่วนพญานกสังเกตเห็นความวุ่นวายนั้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าเออเมื่อก่อนนี้พวกเราอยู่กันอย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่กามาอยู่ด้วยพวกเราก็เริ่มเดือดร้อนพวกลูกเล็กๆ็กแดงสูญหายเราควรจะคอยจับตาดูพฤติกรรมของกาให้ดีนับแต่นั้นมาคั้นถึงเวลาออกหากิน พญานกก็ ท, ทําทีเป็นออกไปหากินพร้อมกับนกตัวอื่นๆแต่แล้วก็บินกลับมาซุ่มดูพฤติกรรมของกานั้นอยู่ตามลำพังฝ่ายกาเมื่อเห็นว่านกออกไปหากินหมดแล้วก็เลิกยืนขาเดียวเที่ยวไปเดินจิกกินไข่แล้วก็ลูกนกจนอิ่มครันคเนดูว่าใกล้เวลาที่พวกนกจะกลับมาแล้วก็รีบกลับมายืนขาเดียวอ้าปากกินลมอยู่เหมือนเดิมพญานกจับตาดูพฤติกรรมของกาตลอดแล้วก็เห็นแน่ชัด ว่าผู้ที่ทำให้ไข่และลูกนกของพวกตนสูญหายไปก็คือกานน่นเองดังนั้นเมื่อนกทั้งหลายกลับมาพร้อมกันแล้วก็เรียกประชุมแล้วก็แจ้งเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเห็นให้ทราบ เ, เป็นไปได้แล้วนายทาไมท่านถึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ล่ะที่คิดว่าเป็นไปได้ไม่ได้ก็เพราะว่ากานั่นเขาถือวัดปฏิบัติเคร่งครัดยืนขาเดียวอ้าปากกินลมไม่กินอย่างอื่นนี่นะใช่ มีหนำซ้ำอย่างพร่ำสอนทำแกเราด้วยบ่อยบ่อยๆพญานกนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ค่อยสายสายตาไปรอบๆมองดูพวกนกซึ่งกําลังอยู่ในความไม่แน่ใจเสร็จแล้วก็บอกว่ากาตัวที่พวกท่านศรัทธาอยู่นั้นน่ะไม่มีศีลหรอกเขาไม่ใช่กาดีแต่พวกท่านไม่รู้ความจริงก็พากันยกย่องพวกท่านรู้ไหมขณะที่เขาพูดธรรมะให้ท่านฟัง แต่พอท่านมาอยู่เขาก็มากินไข่และพวกลูกๆของท่านหมดนกทั้งหลายฟังด้วยความรู้สึกตกใจพยานนกก็บอกต่อบอกว่าท่านทั้งหลายฟังข้าพเจ้าพูดให้ดีนะกาตัวนั้นน่ะพูดอย่างทำอย่างพูดกับทำไม่เหมือนกันเพราะเขาไม่มีธรรมะผู้ที่ปากปราัยและน้ำใจเชือดอย่อมเหมือนกับงูเห่านอนอยู่ในรูไม่มีใครเห็นตัวเพราะว่าถูกรูกรบบังไว้คนที่ดีแต่พูดก็เหมือนกัน ย่อมชูธงคือธรรมะเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าเป็นคนดีแต่แท้ที่จริงแล้วใครๆก็เข้าใจเขายากมากจากนั้นก็ได้กล่าวชวนนกทั้งหลายให้ร่วมกันหาทางกำจัดกาไปให้พ้นไปจากเกาะที่พวกตนอาศัยอยู่ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนายพวกเรามีจงอยปากมีปีกมีเท้าสามารถใช้เป็นอาวุธได้กาตัวเดียวไม่พอมือพวกเราหรอกเออใช่ใช่ถูกแล้ว ทันแล้วพยานกก็พาบริวารไปหากาซึ่งกำลังยืนขาเดียวอ้าปากกินลมอยู่และเมื่อไปถึงก็ไม่พูดพรามทำเพลงกระโดดจิกหัวกาทันทีกาไม่ทันระวังตัวเลยก็เสียหลักถลาลมนกบริวารเห็นได้โอกาสก็เลยกลวนเข้ารุมจิกรุมตีกาจนตายในที่นั่นเองชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วแซงทำดีย่อมรุ่งเรืองแต่เฉพาะเวลาไม่มีใครรู้ ต่อเมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นมาเขายอมพบกับความวิบัติโดยแท้เหมือนกาที่แกล้งทำดีแต่แล้วก็ต้องตายเพราะความแกล้งทำของตัวเองนั่นแหละครับต่อไปเป็นชาดกเรื่องชายหนุ่มผู้ปราบยักษ์ครับห่างจากเมืองพรณนสีออกไปมีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีเนื้อที่กว้างหลายร้อยไร่ทีเดียว พระเจ้าพราณสีทรงโปรดที่จะเสด็จไปล่าสัตว์ในป่านั้นเพราะว่ามีสัตว์มากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเรากําเนิดเป็นชายหนุ่มผู้ยากจนแต่ว่ามีความกตัญญูกตวเวทีเลี้ยงดูแม่ผู้ชาราด้วยความเคารพวันหนึ่งพระเจ้าพราณาศีทรงพาข้าราชบริพารจำนวนมากเสด็จไปล่าสัตว์ในป่านั้นทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ยืนเรียงรายล้อมป่าเอาไว้เป็นจุดๆโดยทรงรับสั่งว่าหากสัตว์ที่ทรงล่าหนีออกไป ทางผู้ใดนะผู้นั้นจะต้องมีความผิดเมื่อทรงรับสั่งถึงกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วจากนั้นพิธีล่าสัตว์ก็เริ่มขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้าไปไล่ต้อนพวกสัตว์ป่าคือเก้งควางเป็นต้นให้วิ่งไปตามจุดที่มีคนดักล่าอยู่ขณะนั้นเองควางตัวหนึ่งก็วิ่งหน้าตื่นมาทางที่พระเจ้าพระนสีประทับอยู่เอ้ยมาแล้วเดี๋ยวจะยิงให้สนุกมือไปเลยอ่าเมื่อควางวิ่งใกล้เข้ามาพระองค์ก็ทรงยิงทันที กวางนั้นชำนาญเรื่องการเอาตัวรอดพอเห็นลูกศรวิ่งเข้าหาตัวก็หมวนตัวหลบทำให้ลูกศรพลาดไปและได้โอกาสวิ่งหนีพวกขราชบริพารเห็นอย่างนั้นก็พากันหัวเราะลั่นทำให้พระเจ้าพราณาศีทรงเสียหน้ามากอุ้ยเจ้ากวางเจ้าเล่เอ้ยพระองค์คิดแคนแล้วก็ทรงกระโดดวิ่งไล่ตามควางไปติดๆจนกระทั่งตามไปทันแล้วทรงเอาพระขันควันกวางตาย พระองค์ทรงตัดกวางออกเป็นสองท่อนและเอาเชือกผูกที่ปลายไม้หาบเสด็จกลับมายังที่ล่าสัตว์ระหว่างทางพระเจ้าพระณสีเสด็จแวะพักที่ใต้ร่มไทรต้นหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ใกล้ทางแล้วทรงบันทมหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนที่ต้นไทรใหญ่นั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่อมัคคเทพเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณและได้รับพรมาจากท้าวเวสสุวรรณให้จับผู้คนที่เข้ามาในร่มของต้นไทรนั้นกินได้ ยักษ์มรคเทพเห็นพระเจ้าพราณสีเสด็จเข้ามาพักที่ใต้ร่มไทรแล้วก็ดีใจมากเพราะลาบปากมาถึงที่เลยทีเดียวดังนั้นหลังจากพระเจ้าพราณสีทรงตื่นมันโถมและเตรียมจะเสด็จออกไปยักษ์มรคเทพก็เข้ามาขัดขวางทันทีไ อ, อหยุดนะสหายท่านไปไหนไม่ได้หรอกเพราะท่านเป็นอาหารของเราแล้วยักษ์มรคเทพก็ขู่พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของตัวให้พระเจ้าพราณาศีทราบ พระเจ้าพระนศีทรงคิดหาวิธีเอาตัวรอดในที่สุดก็ทรงเห็นว่าวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพระองค์ได้เออยักษ์ท่านอยากจะกินคนวันนี้วันเดียวหรือว่าอยากจะกินตลอดไปล่ะก็อยากกินตลอดไปอะสิถ้าท่านอยากกินตลอดไปก็จริงจงกินกวางตัวนี้แล้วก็ปล่อยข้าพเจ้าไปพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะส่งคนมาให้ท่านกินวันละคนท่านเป็นใครอ่ะข้าพเจ้าคือพระเจ้าพระนศี เจ้าแห่งชีวิตของคนทั้งหลายก็ได้แต่ท่านต้องจําไว้ว่าวันไหนท่านผิดสัญญาไม่ส่งคนมาวันนั้นนะขบเจ้าจะไปจับท่านกินซะพระเจ้าพระนารสีทรงรับข้อเสนอของยักษ์มัร์คเทพเสร็จแล้วยักษ์ก็ปล่อยตัวพระเจ้าพระนารสีไปขันเสด็จกลับมาถึงพระราชวังแล้วพระเจ้าพระนาสีก็ตรัสปรึกษาอํามาตย์ผู้ใกล้คิดแล้วก็ทรงได้รับคําแนะนําให้ส่งนักโทษไปให้ยักษ์กินวันละคนก่อน เมื paid, kind of lost, ่อนักโทษหมดแล้วค่อยหาวิธีกันต่อไปใหม่นับแต่วันนั้นมายักษ์มรคเทศก็มีลาบปากมาถึงที่ทุกวันนักโทษที่ถูกส่งตัวไปนั้นแต่ละคนไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องไปตายเขารู้แต่เพียงว่ามีคําสั่งให้ถือถาดข้าวไปให้ใครก็ไม่รู้ที่ต้นสายเละยักษ์พอกินข้าวแล้วก็กินคนที่ถือถาดข้าวนั้นมาด้วยเหตุการณ์ดําเนินไปอย่างนี้จนกระทั่งนักโทษหมดเรือนจํา พระเจ้าพรณสศีก็ทรงหวาดวิตกมากเพราะเกรงว่าภัยจะมาถึงพระองค์ถ้าหาคนส่งไปให้ยักษ์ไม่ได้พวกอมตะก็ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาในที่สุดก็ลงความเห็นว่าต้องใช้เงินเข้าล่อจากนั้นก็เป่าประกาศไปทั่วเมือง้อาใครก็ตามที่สามารถจะถือถาดข้าวไปส่งให้ยักษ์ที่ต้นไสใหญ่นอกเมืองได้เขาจะได้รับทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะเป็นค่าตอบแทน ชายหนุ่มเมืองพราราณสีคนหนึ่งได้ยินการเป่าประกาศนั้นแล้วก็เกิดความสนใจในค่าตัวที่จะได้ถึงหนึ่งพันกหาปณะนะโอ้เราทำงานหาเงินเลี้ยงแม่กว่าจะได้มาแต่ละครั้งเนี่ยล้วนต้องอาบเหมือต่างน้ำช่างยากลำบากเหลือเกินแต่ถ้าเราได้ค่าจ้างครั้งนี้แม่ก็จะสบายไปนานทีเดียวแม้ว่าเราจะต้องตายก็าตามแต่ถ้าไม่ตายอนาคตของเราก็จะรุ่งเรืองแน่เขาก็ตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ แม้จะถูกห้ามปรามเขาก็ไม่ฟังเขาก็เดินทางไปสมัครด้วยตนเองครั้นได้ค่าจ้างแล้วก็รีบนํามาให้แม่พร้อมทั้งกล่าวอําลาแม่แม่จ๋าแม่อย่าคิดมากไปเลยนะลูกไปปราบยักษ์ก็เท่ากับช่วยคนจานวนมากให้ปลอดภัยลูกเชื่อ ว, ว่าลูกปราบได้แนะ่แม่คอยดูนะวันนี้ลูกจะทําให้แม่หัวเราะให้ได้พูดเสร็จเขาก็เดินทางกลับไปฟ้าพระเจ้าพระนาศีพระเจ้าพระนาีทอดพระเนศเห็นเขาแล้วพอพระทัยมากโอ้ย เจ้านี่ใช่ไหมที่จะนําข้าวไปให้ยักษ์อ่ะใช่แล้วพระเจ้าคะ่ะเจ้าอยากได้อะไรติดตัวไปบ้างไหมรองเท้าทองคําพระเจ้าคะ่ะจะเอาไปทําไมรองเท้าขอเดชะพระองค์ได้ทราบมาว่ายักษ์นั้นจะกินคนที่ยืนอยู่บนดินใกล้โคนไม้ที่ตัวสถิตยอยู่แต่ว่าเขาจะ ก, กินข้าพระองค์ไม่ได้เพราะข้าพระองค์ยืนอยู่บนรองเท้าไม่ได้ยืนอยู่บนแผ่นดินของเขาเอออยากได้อะไรอีกอะ่ะร่มพระเจ้าคะ่ะเอาไปทําไมร่ม ขอเดชะข้าพระองค์ได้ทราบว่ายักษ์นั้นจะกินคนที่ยืนอยู่ในร่มไม้ที่มันสิงสถิตยอยู่แต่มันจะกินข้าพระองค์ไม่ได้เพราะข้าพระองค์ยืนอยู่ใต้ร่มที่ข้าพระองค์ถือมาเองแล้วอยากได้อะไรอีกอะพระขันพระเจ้าค่ะเจ้าไปทํำไมพระขันเออขอเดชะอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่อัมนุษย์อย่างพวกยักษ์ก็ยังกลัวคนถือพระขันแล้วอยากได้อะไรอีกอะถาดทองคําพระเจ้าค่ะโอ้อยากหลายอย่างเกิน จะไปทําอะไรถาดขอเดชะข้าพระองค์จะไว้ใส่ข้าวไปให้ยักษ์กินเพราะเมื่อข้าพระองค์สวมรองเท้าทองคํากั้นร่มถือพระขันจะให้ถือถาดดินใส่ข้าวไปย่อมไม่เหมาะสมเมื่อได้รับพระราชทานสิ่งของตามที่ทูลขอแล้วชายหนุ่มผู้ยากจนก็เดินทางไปหายักษ์แล้วก็ไปยืนอยู่ที่ชายเงาไม้ยักษ์กินข้าวแล้วก็แสดงท่าทีจะกินชายหนุ่มนั้นแต่กินไม่ได้เพราะเขายืนอยู่นอกร่มไม้ ก็พยายามพูดลวงให้เขาเข้าไปยังร่มไม้เขาตนให้ได้ชายหนุ่มรู้ถึงจุดมุ่งหมายของยักษ์ก็กล่าวตอบไปเออวันนี้ท่านได้กินอาหารอร่อยเพราะข้าพเจ้านํามาให้แต่ถ้าท่านกินข้าพเจ้าเสร็จแล้วท่านก็จะไม่ได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้อีกต่อไปนะเพราะคนที่จะนําอาหารอย่างนี้มาให้ไม่มีอีกแล้วจะไปยากอะไรเราก็ไปจับพระราชาของเจ้ามากินเสือหน่ะสิะท่านไม่มีสิทธิจับพระราชากินหรอกเพราะพระองค์อยู่นอกต้นไม้ อย่าว่าแต่ไปจับพระราชาของข้าพเจ้าเลยแม้แต่จะจับข้าพเจ้ากินวันนี้ท่านก็จับไม่ได้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ยืนอยู่บนที่ดินของท่านแต่มายืนอยู่บนรองเท้าของตนเองมันได้ยืนอยู่ใต้ร่มไม้ของท่านแต่มายืนอยู่ใต้ร่มที่ข้าพเจ้าถือมาเองและข้าพเจ้าถือพ้าขันอยู่ในมือพร้อมที่จะฟันท่านเนถ้าหากว่าทําผิดยักได้ฟังอย่างนั้นแทนที่จะโกรธกลับเลื่อมใสในความฉลาดหลักแหลมของชายหนุ่มก็เลยไม่คิดจะทําร้ายแต่ได้บอกให้เดินทางกลับไปบ้าน าชายหนุ่มเองก็เลื่อมสายยักษ์ที่ไม่ผิดสัญญาต่อเท้าเวสุวรรณทั้งสองจึงต่างแสดงไมตรีจิตผูกมิตรกันชายหนุ่มได้ชวนให้ยักษ์เข้ามาอยู่ในเมืองพรารันศีด้วยกันซึ่งยักษ์เองก็ตอบรับพระเจ้าพรารันศีทรงดีพระทัยมากที่เห็นชายหนุ่มกลับมาโดยมียักษ์เดินตามมาด้วยจึงทรงทําพิธีต้อนรับอย่างมโหฬารทรงตั้งชายหนุ่มให้เป็นอํามาตะและทรงรับสั่งให้เลี้ยงดูยักษ์เป็นอย่างดีจนสิ้นรัชกาล ครับชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนกระตันยูและมีปัญญาความกระตัญยูและความฉลาดนั้นย่อมคุ้มครองเขาเหมือนกับชายหนุ่มชาวเมืองพาราณสีผู้ยากจนเป็นคนกระตัญยูยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อแม่ฉลาดในการเจรจากับยักษ์จนสามารถเอาตัวรอดได้ไม่ต้องถูกยักษ์กินแล้วก็ยังได้ปูนบำเหน็จความดีความชอบอย่างยิ่งใหญ่ด้วยครับ นิทานญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งครับนกกรเรียนกระตันยูกาละครั้งนั้นมีตายายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่งตายายในยากจนมากแต่ก็เป็นคนดีมากอยู่มาวันหนึ่งตาหาฟืนเข้าไปในเมืองตอนนั้นเป็นหน้าหนาวหิมะตกหนักมากจนทั่วท้องนาทั่วภูเขาเต็มไปด้วยหิมะปกคลุมอยู่จนขาวพโพลนไปหมด หากตาไม่ขายฟืนก็จะไม่มีเงินมาซื้อข้าวมาหุงกินก็เลยต้องรวบรวมกำลังหาฟืนลุยฝ่าหิมะออกไปในขณะที่ผ่านท้องนาที่หนึ่งตาได้ยินเสียงดังผับผับหิมะกระจายฟุ้งขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรไหวตัวอยู่ในกองหิมะเอ๊ะมันอะไรกันแน่ฮะตาคิดแล้วก็สาวเท้าเข้าไปก็เจอนอกกระเรียนปิดแล้วอยู่ เท้ามันถูกเชือกัพันติดอยู่มันพยายามดิ้นให้หลุดก็ทำให้เกิดเสียงดังผับผับที่ตาได้ยินมันยิ่งดิ้นให้หลุดก็ยิ่งทำให้เชือกรัดพันมากขึ้นจนไม่อาจจะหนีไปได้ตาเห็นเขาก็เกิดความสงสารตายแล้วคอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวนกะใครก็มาเห็นเขาจะต้องถูกจับไปแน่แน่เดี๋ยวขัดจะแก้เชือกให้ว่าแล้วก็วางหาปืนลงแก้เชือกที่พันติดขาให้นกกระเรียน พนกเป็นอิสระมันก็กางปีกออกว่างกระพืออย่างแรงแล้วบินสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าส่งเสียงร้องก้องกลางวานันมันบินวนอยู่เหนือศีรษะตาสามรอบแล้วก็บินไปทางภูเขาตาก็ยืนมองมันที่บินไปทางภูเขาร่างมันดูเล็กลงเล็กลงจนมันบินข้ามเขาไปพอร่างมันผลสายตาไปแล้วตาก็พูดขึ้นอย่างสบายใจ เออวันนี้เราทำดีสงสัยวันนี้เราจะมีโชคเสียละวหะมังตาก็รู้สึกสดชื่นอารมณ์แจม่มใสขึ้นก็หาปืนเข้าเมืองต่อไปปืนมาแล้วจ้าปืนมาแล้วไม่รับปืนหน่อยหรือจ้าตาก็รู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยเหลือนกกรเรียนทําให้ตามีพลังกำลังขึ้นจนขายปืนได้หมดก็เตรียมตัวกลับกลับถึงบ้านตาก็รู้สึกหนาวมาก โอ้ยหนาวเหลือเกินตาบ่นแล้วก็รีบประมืออังเตาผิงเอาไว้นั่งในท่าสบายอารมณ์แล้วก็เริ่มคุยกับยายเออนี่ยายวันนี้ข้าได้ทำความดีไว้เชนะียวหนาอเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องช่วยเหลือนกกระเรียนให้ยายฟังยายก็บอกว่าเออดีแล้วละ่ะตาทำดีจริงๆยายก็ยิ้มอย่างพอใจ ตอนนั้นเป็นยามเย็นโผลเพล้ยยายก็ลุกขึ้นเตรียมจะไปหุงหาอาหารเย็นเออเดี๋ยวข้าจะต้องไปเตรียมอาหารมื้อเย็นสักทีทันใดนั้นทั้งตายายก็ได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านยายก็เงี่ยวหูฟังขอาะทวดจะค้ามีใครอยู่ไหมคะเสียงเล็กๆ เ, เพราะหูดังขึ้นยายก็สงสัยกันว่าใครนะที่มาในยามหิมะตกหนักอย่างนี้นั่นใครกันนะ ยายถามพร้อมกับเปิดประตูก็พบว่ามีหญิงสาวยืนอยู่ตัวเต็มได้วยละอองหิมะ้ายจริงหิมะตกหนักอย่างนี้นาตาจะหนาวแย่ เ, เข้ามาก่อนถ้าแม่หนูขอโทษ น, นะคะที่ทำให้ยายลำบากยายก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงสาวรุ่นอายุสักสิบเจ็ดสิบแปดหน้าตาหมดจดงดงามตาก็ถามขึ้นหนูเป็นลูกเต้าใครและทำไมมาเดินอยู่ในพายุหิมะอย่างนี้เออ ถ้ามีคนรู้จักในเมืองก็เลยตามหาเขามาติดพายุหิมะเข้าพอดีซ้ํายังมืดลงซะก่อนข้าเกิดหลงทางขึ้นมาลําบากมากจริงๆตายายจ๋าเดี๋ยวข้าขอรบกวนให้ข้าได้ค้างที่นี่สักคืนนึงได้ไหมจ๊ะให้ข้านอนที่ตรงซอกมุมตรงไหนก็ได้ค่ะเออความจริงเราก็สงสารหนูนี่จริงๆ จ, จ, จะไม่ให้พักก็กอะไรอยู่นะยายทํายังไงดีเลยยายให้พักนะัะได้อยู่หรอกตา แต่เราจนมากนะที่นอนก็ไม่มีอาหารดีๆก็ไม่มีแย่จังหญิงสาวได้ยินตายายเจรจากันอย่างนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะตายายขอให้ข้าได้นอนพักก็พอที่นอนหรือว่าอาหารเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะยายได้ยินผู้หญิงพูดอย่างนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าหนูไม่ถือสาเรื่องพวกนี้ข้าก็ไม่ว่าอะไรอะนะเอาเด็วเข้าเข้ามาใกล้ๆเตาผิงนี่เถอะ พอยายอนุญาตหญิงสาวก็ดีใจเป็นล้นพน้นรีบก้าวขึ้นมาบนบ้านแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เตาผิงกลับกุลีกุจอจัดเสื้อผ้าให้ธรรมัดธรรมงยายจ๋าขอให้ข้าได้ช่วยงานยายเถอะอย่าเลยไม่ต้องรอกเราคนจนไม่มีอะไรต้องทำมากจนต้องช่วยกันรอกเข้าไปนั่งใกล้ๆเตาผิงนั่นเถอะหญิงสาวก็ไม่ฟังกลับวิงวอนขอซ้ำให้หนูช่วยทำได้วยเถอะข้า ยายก็เลยไม่ขัดก็เลยให้หญิงสาวร่วมทํางานด้วยหญิงสาวทํางานคล่องแคลวหุงข้าวก็เก่งทํากับข้าวก็อร่อยซ้ายังเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนทํางานด้วยความระมัดระวังไม่ให้ข้าวหกทิ้งเลยแม็แต่เม็ดเดียวพอกินกันเสร็จก็รีบจัดแจงเก็บจนเรียบร้อยเสร็จแล้วหญิงสาวก็เดินอ้อมไปทางข้างหลังตาตาจา๋าตาทํางานมาทั้งวันคงจะเหนื่อยมั้งคะคงจะปวดเอวปวดไหล เดี๋หนูนวดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอยากจะนวดให้ค่าอย่าลำบากเลยหนูเองก็เหนื่อยมามากและคืนนี้หนาวมากเละเข้ามาอยู่ใกล้ๆไฟจะได้อุ่นหน่อยหญิงสาวไม่ฟังเสียงทัดทานก็คงนวดให้ตานวดเก่งมากตารู้สึกสบายเนื้อสบายตัวพอนวดให้ตาเสร็จก็นวดทายายต่อจนดึกถึงได้เข้านอนรุ่งเช้าหญิงสาวก็รีบตื่นนอนก่อนสองตาใหญมาจัดแจงก่อฟืนติดเตาหุงหาอาหาร หญิงสาวก็เขี่ยไฟในเตาผิงทำความสะอาดบ้านทำทุกอย่างจนยายไม่ต้องทำอะไรเลยหิมะยังคงตกหนักจนไม่สามารถจะเปิดประตูบ้านได้หญิงสาวก็เลยพักที่บ้านตายายต่อไปอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นหิมะก็ยิ่งตกหนักต่อกันอีกหญิงสาวก็พักอยู่ที่บ้านตายายต่อมาอีกสี่ห้าวันวันนั้นหญิงสาวก็พูดขึ้นกับตายายว่าเออตายายคะหนูมีเรื่องจะขอร้องหน่อยได้ไหมคะ ผู้เสร็จก็ทำท่าคิดหนักเหมือนจะลำบากใจในการพูดตา่ยายก็นึกเอ็นดูท่าทางยิ่งนักมีอะไรนะหนูพูดเถอะหากเราช่วยได้ก็จะช่วยให้สมหวังเลยละเออถ้าอย่างนั้นก็หนูสบายใจหน่อยคืออย่างนี้ค่ะนางก็เริ่มเล่าว่าพ่อแม่ของนางตายจึงต้องเดินทางไปพึ่งพาคนที่รู้จักกันที่อยู่ในเมืองแต่คนรู้จักที่ว่านั้นนะ่ะนางเองก็ไม่เคยพบปะกันมาก่อน รู้สึกลำบากใจที่จะต้องตามไปรบกวนเขาการที่ได้มาอยู่กับตายายคงจะเป็นเพราะทำบุญร่วมกันมาเป็นแน่จึงอยากจะขอเป็นลูกของตายายแม้จะไม่มีอะไรติดตัวมาแต่นางก็จะเป็นลูกที่มีแต่ความกระตันยูกระตะเวทีผู้จบตายายก็เกิดความปิติยินดีเออน่าสงสารจริงๆนะเราก็ไม่มีลูกก็รู้สึกเหงามากถ้าได้เด็กดีๆอย่างหนูมาเป็นลูกก็เป็นบุญของเรา สวรรค์ทรงโปรดให้แท้ๆพูดแล้วก็รับนางไว้เป็นลูกนางก็ทำงานสนองพระคุณตายายด้วยความซื่อสัตย์กตัญญูยิ่งนักอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวก็พูดขึ้นตาจา๋าข้าอยากจะทอผ้าดูสักหน่อยตาช่วยซื้อไหมจากในเมืองให้หน่อยได้ไหมคะตารับปากแล้วก็ซื้อให้หญิงสาวก็เตรียมเครื่องทอจัดตั้งไว้กลางห้องแล้วก็เอาฉากมากั้นปิดไว้จากนั้นก็พูดกับตายาย จากนี้ไปนะหนูจะเข้าไปทอผ้าในระหว่างที่ทออยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตายายอย่าเข้าไปดูในที่ที่หนูกำลังทออยู่นะคะไม่ดูรอกรับรองไม่ดูหนูสบายใจเถอะตายายก็รับปากหญิงสาวก็เข้าไปหลังฉากนั้นก็เริ่มลงมือทอผ้าตายายนั่งอยู่ข้างๆเตาไฟได้ยินเสียงเครื่องทอผ้าดังตึกตักตึกตักก็นิ่งฟังอยู่อย่างชื่นชม หญิงสาวนั่งทอทั้งวันโดยไม่กินข้าวปลาอาหารพอตกเย็นถึงได้ออกมาจากที่ทอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปทอใหม่จนกระทั่งเย็นของวันที่สามเสียงเครื่องทอก็เงียบลงหญิงสาวออกมาจากหลังฉากตายายจ๋าดูนี่สิจ๊านี่ไงผ้าที่คัดทอหญิงสาวก็คลี่ผ้าออกให้ตายายดูสองตายายก็ร้องคือไหนไหนไหนเสร็น แ, แล้วก็หยิบเอาผ้าขึ้นถือ ผ้าสองแสงเป็นประกายระยิบระยับเป็นผ้าทอลายสวยงามจาการตา ม, มากอุย้ยช่างเป็นผ้าที่สวยอะไรอย่างนี้เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นอันนี้ก็เรียกว่าผ้ายกนะพรุ่งนี้ตาอาไปขายในเมืองแล้วซื้อไหมมาอีกนะคะวันรุ่งขึ้นตาก็เข้าเมืองไปพร้อมกันําผ้ายกไปด้วยผ้ายกจะผ้ายกตาก็เดินร้องขายพอดีในขณะนั้นเจ้านะครผ่านมาพอดี ไหนไหนไหนายกเหรอเออพายกนี่มันหายากนะไหนขอดูหน่อยสิเสร็จแล้วตาก็รีบมาให้ดูเออสวยสวยวิเศษจริงอรลงราคาซื้อผืนนี้นะว่าแล้วก็หยิบเงินให้ทั้งเยอะแยะตาตกใจมากกับจำนวนเงินเหล่านั้นรีบซื้อไหมแล้วก็ของฝากไปให้ยายแล้วก็หญิงสาวทั้งยังซื้อข้าวของเครื่องใช้อีกมากนํากลับบ้านยังความยินดีให้แก่ทุกคนในบ้านเป็นอย่างยิ่ง วันรุ่งขึ้นหญิงสาวก็เตรียมการทอผ้าอีกเช่นเคยสามวันต่อมาก็ทอผ้าเสร็จคราวนี้ได้ผ้าที่สวยกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าตาก็เอาผ้าเข้าเมืองไปให้เจ้านครอีกเจ้านครก็ถูกใจมากก็ให้เงินไว้เป็นจานวนมากตาดีใจมากก็คิดในใจอูย้ยทำไมลูกเราเก่งอย่างนี้นะเสร็จแล้วตาก็ซื้อไหมและของฝากอีกเยอะเพื่อนากลับบ้านหญิงสาวก็รีบทอผ้าผื้นที่สาม พอวันที่สามยายก็พูกระตาว่าทอผ้าเก่งเหลือเกินข้าจะแอบไปดูหน่อยละตาปตาก็ตกใจมากก็ห้ามยายว่ารับปากับลูกไว้แล้วทําไมถึงผิดคําที่พูดกันไว้นิดหน่อยเองงแหละว่าแล้วยายก็แอบดูจากข้างหลังฉากแล้วยายก็ตกใจสุดขีดเพราะว่าข้างในฉากกันนั้นไม่มีหญิงสาวอยู่เลย แต่กลับเป็นนกกระเรียนตัวหนึ่งกลางปีกใหญ่ของมันออกว้างมันกําลังใช้จงอยปากของมันดึงขนอ่อนๆในตัวมันออกมาทอแซมเข้าไปในระหว่างเส้นไหมมันทออย่างตั้งอกตั้งใจมันดึงขนจากตัวมันไปซะแล้วเกือบครึ่งตัวตัวมันเองก็อยู่ในสภาพที่น่าอนาใจ ย, ยิ่งนักตายแล้วตายตายเอ้ยยายวิ่งกลับไปรายงานให้ตารู้ ค่ำวันนั้นหญิงสาวก็ถือผ้าออกมาคุกเข่าอยู่ต่อหน้ายายตายายข้ามารบกวนตายายนานแล้วความจริงข้าเป็นนกกระเรียนตัวที่ตาเคยช่วยไว้ในวันพายุหิมะวันนั้นข้าคิดแล้วบุญคุณของตามีมากข้าต้องตอบแทนบุญคุณถึงได้แปลงร่างเป็นคนมาแต่วันเนี้ย า, ยายเห็นตัวจริงของข้าซะแล้วข้าจึงไม่อาจจะอยู่ต่อไปได้อีกต้องขอลาไปก่อนนะ ตายายจะทัดทานขอร้องอยังไงนางก็ไม่อาจจะอยู่ได้แล้วนางออกไปตรงระเบียงบ้านแล้วกลับร่างเป็นนกกเรียนดังเดิมกลางปีกออกบินสูงขึ้นไปในท้องฟ้าส่งเสียงดังก้องกังวานบินวนอยู่สามรอบจึงบ่ายหน้าไปทางภูเขาส่วนตายายก็ได้อาศัยเงินทองที่ได้จากการขายผ้าเลี้ยงชีพอย่างเป็นสุขสืบมาครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพกคกนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ